วันนี้เป็นวันพระรหัสศบกีที่ส0บกรกฎาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ที่เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันอาสาฬหาบูชา เป็นวันที่จะเรียกว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาก็ได้เพราะเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นมาในโลกครบทั้งสามองค์คือมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคําสั่งคําสอนและมีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในวันนี้คือในวัน ขึ้นส5ห้าค่ำเดือนแปนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเทศนาให้แก่โลกเป็นครั้งแรกให้กับพระปัญจ ว, วคัคคีที่เคยเป็นสาวกผู้ติดตามพระพุทธเจ้ามาก่อนที่จะได้ตัดสรุหังจากที่พระองค์ได้ทรงสแสดงธรรม ที่มีชื่อว่าธรรมจักรกับประวัตนาสูตรหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งขึ้นมาคือบรุลูปเป็นพระโสดาบันจึงทำให้มีพระรัตนาตรัยครบทั้งสามองค์ในวันนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงพระธรรมอันประเสริฐ มีพระ อ, อริยสงสาวก ค, คือพระ อ, อัญญาณโกนทัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่ำ ม, มีการดับไปเป็นธรรมดาจึงได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาะสกายะทิฏฐิความยึดติดในสังขารร่างกาย ว่าเป็นตัวเราของเราว่าจะอยู่อย่างยั่งยืนถาวรพอเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บและมีตายถ้าอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย mm. ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอย่างยิ่งถ้า ไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องละความอยากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอละความอยากได้ใจก็พ้นจากความทุกข์จากการยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมานี่คือความสำคัญ ของวันอาสาฬหาบูชาก็คือวันเกิดของพระพุทธศาสนานี่เองถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระพุทธศาสนามีอายุกี่ปีแล้วก็เอาปีพุทธศักราชบวกกับ45ปีเข้าไปเช่นปีนี้เป็นปีพุทธศักราชที่2568 บวกกับ45ปีเราก็จะได้ 2,613 ปีด้วยกันนี่คืออายุของพระพุทธศาสนาที่ได้ตั้งมาตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้น้าจะอยู่ต่อไปได้อีกประมาณครึ่งหนึ่ง อ, อีกครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ 5,000 ปีด้วยกันแล้วศาสนาก็จะ จางหายไปจากโลกนี้ที่จางหายไปก็เพราะว่าไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติที่จะบรรลุมรรคผลนผิพพานได้นั่นเองเมื่อไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานก็จะไม่มีใครสามารถที่จะมาสั่งสอน เรื่องการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อีกต่อไปศาสนาก็จะหมดสิ้นไปแล้วก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสชุ้ในอนาคตอีกยาวนานอีกครั้งหนึ่งถึงจะมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้อี ก, อกรอบหนึ่งเพื่อที่จะได้ นำพาสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะทําตนเองให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากที่ ปัญญาอย่างปุจุชนของพวกเราทั้งหลายนี้จะไม่สามารถรู้และเข้าถึงได้วิธีของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปเป็นพระองค์แรกก่อนเป็นผู้ที่จะเห็นทางแห่งการหลุดพ้นแลวหลังจากนั้นที่พระองค์ได้หลุดพ้นแล้วพระองค์ก็จะนำ ความรู้หรือทางที่ได้ทำให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากความทุกนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับชาวโลกต่อไปผู้ที่มีศรัทธามีความเนื่อมสก็สามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติและหลุดพ้นจากของของทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ มาประกาศพระธรรมคำสอนก็จะไม่มีใครที่จะสามารถรู้วิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเองนี่คือความสาคัญของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอน <c oughs> และของพระอริยสงสาวรของพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่รู้ทาง สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงท่านเป็นผู้ที่จะสามารถสอนผู้ที่ยังไม่รู้ทางผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นไปอย่างแน่นอนถ้าผู้ที่ศึกษามีศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดคาสั่งคาสอนมาปฏิบัติ แบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุ ป, ปฏิปันโนอุจุ ป, ปฏิปันโนยาย ป, ปฏิปันโนสามีจิ ป, ปฏิปันโนถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของวันนัสสาระาบูชา ที่พวกเรามาทำการนำลึกถึงเพื่อให้เราไม่หลงไม่ลืมถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีพระคุณอย่างล้นหลามต่อสัตว์โลกที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมีพระคุณเท่ากับพระพุทธศาสนาได้เพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีใคร คาถาบัญการศึกษาใดที่จะสามารถสอนให้ผู้ที่ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่พระพุทธศาสนานี้เพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่จะสามารถพาให้จิตใจที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนับไม่ถ้วนมาเป็นเวลาระยะเวลอาอันยาวนานได้สามารถหลุด พ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เราลำลึกเพื่อให้เราเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อที่เราจะได้รักษาให้พระพุทธศาสนานี้อยู่คู่กับโลกนี้ไปนานๆเพื่อทำคุณทำประโยชน์ให้กับพวกเราและกับพวกอนุชนรุ่นหลังที่จะเกิดตามมาต่อไป ได้มีโอกาสได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเยียว่าตายเกิดกันถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์รักษาพระศาสนาอาจจะเสื่อมหมดไปก่อนเวลาที่พระเจ้าได้ทรงพยากรไว้ก็ได้คือห้าพันปีถ้าเราไม่อนุรักษ์กันไ ม, ไม่ไม่รักษากัน ต่อไปพระพุทธศาสนาก็จะหายไปจากใจของพวกเราแต่ถ้าพวกเรามารักษากันมาปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนากัน<ม>พระพุทธศาสนาก็จะอยู่คู่กับโลกนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุด<ม>และวิธีการที่พวกเราจะสามารถคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนา ของพระพุทธเจ้านี้ให้อยู่ไปได้เป็นเวลาอันยาวนานก็อยู่ที่การทำภาระหน้าที่ของชาวพุทธนี้เองที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้ให้กับชาวพุทธเราทุกคนหน้าที่ที่ชาวพุทธเราทุกคนพึงปฏิบัติเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและอนุรักษ์รักษาพระพุทธศาสนา ให้อยู่กับโลกนี้ไปเป็นเวลาอันยาวนานได้กันก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือการศึกษาพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่เราจะได้กําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจยุติการเวิยนว่ายตายเกิดของใจ เราต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ศึกษาแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาตามที่ควรดังนั้นข้อที่หนึ่งสงสอนให้เราศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้คือข้อที่หนึ่งหน้าที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ถูกตั้งแม่นยำลงหลักกับความเป็นจริงทุกประการสวากขาโตภะวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนนเมื่อเราได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว เราก็ต้องทําข้อที่สองหน้าที่ข้อที่สองก็คือปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนที่เราได้เรียนได้ศึกษามาเพราะว่าถ้าเราได้ศึกษาได้เรียนรู้คำสั่งคำสอนแต่ถ้าเราไม่นำออกไปปฏิบัติเราก็ยังจะไม่ได้รับผลนั่นเองการเรียนรู้เฉยๆนี้เป็นเหมือนกับการดูแผนที่การดูแผนที่นี้จะบอกว่า ทิศทางที่เราจะต้องการไปนั้นไปไปทางใดบ้างไปทางทิศเหนือหรือไปทางทิศใต้ทิศตะวันออกหรือทางทิศตะวันตกเพื่อให้เราได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันแต่ถ้าเราได้ดูแผนที่แล้วเราไม่ได้ออกเดินทางเราก็จะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันได้จุดหมายปลายทางของพวกเราก็คือการสิ้นสุด การเวียนว่ายตายเกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อเรานําเอาคําสอนมาปฏิบัตินั่นเองมาปฏิบัติตามแผนที่ที่เราได้เห็นที่เราได้ศึกษาได้ดูเมื่อเราได้ศึกษาแล้วแล้วนำเอามาปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าสุปฏิปันโนแล้ว ขั้นที่สามของหน้าที่ของเราก็จะปรากฏขึ้นมาขั้นที่สามก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆนั่นเองการบรรลุมรรคผลนี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสี่ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าขั้นโสดาบันเช่นพระอัญญาณโกนัญญะท่านบรรลุขั้นที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันแต่ท่านยังมีอีกสามขั้นที่ท่านยังต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อที่จะได้คำจัด สังโยชน์ที่เป็นเครื่องสร้างความทุกข์ที่เป็นเครื่องผูกรันจิตใจให้ติดอยู่ในในตายพบในกองทุกข์แห่งการเย็นวายตายเกิดอยู่เมื่อได้ได้โสดาบันแล้วก็ต้องปฏิบัติขั้นที่สองเพื่อให้ได้บรรลุปเป็นพระสะกิทาคามีเมื่อได้บรรลุปเป็นพระสะกิทาคามีแล้วก็ต้องปฏิบัติขั้นที่สามให้บรรลุปเป็นพระอนาคามี เมื่อได้ขั้นที่สมเป็นพระอนาคามีแล้ว<ม>ก็ต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นที่สก<ม>็ค<อ>ือขั้นพระอรหันต์ถ้าได้ถึงขั้นที่ส<ม>ก็ถือว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์ร้อยเปเซพระโสะดาบันนี้ยังหลุดพ้นเพียง30เซพระสะกิาคามีนี้หลุดพ้นสี่อร์ซพระอนาคามีหลุดพ้นหปรซ ส่วนถ้าลหันนี้หลุดพ้นได้ร้อยเปอร์เซเมื่อได้หลุดพ้นอย่างสมบูรณ์แล้วได้เข้าถึงพระนิพพานแล้วยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วก็นำมาสู่ขั้นที่สี่ของหน้าที่ของชาวพุทธก็คือเผยแผ่สั่งสอนทำที่ได้บรรลุได้รู้ได้เห็นเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นต่อไป ถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุมรรคผลมิพานแล้วก็มีการนำเอาความรู้ที่ได้จากการปฏิบัตินี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ยังไม่รู้ผู้ที่ยังไม่รู้ก็จะสามารถที่จะเรียนรู้และปฏิบัติและดูดพ้นได้เมื่อเขาได้ดูดพ้นแล้วเขาก็จะได้ทำหน้าที่เผยแผ่ทำต่อไป นี่คือวิธีการของการเผยแผ่ทำเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นวิธีของการรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่อย่างยั่งยืนที่ได้มีการกระทำมาตั้งแต่วันแรกที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรตวเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพอพระพเจ้าได้ตัดสรตวเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระ อ, องค์ก็ส่งนําเอาความรู้ที่ได้จากการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ปรารถนาผู้ที่อยากจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เรียนรู้วิธีของการหลุดพ้นเมื่อได้เรียนรู้แล้วก็นําเอาไปปฏิบัติแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาในระยะแรกๆของการ เผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าทรงมุ่งไปสอนผู้ที่มีความสามารถมากผู้ที่มีปัญญามีความฉลาดมากเพราะว่าจะมีความสามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพระองค์จึงทรงมุ่งไปสอนผู้ที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าก็คือ มีสติมีสมาธิมีปัญญาพร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมที่พระเจ้าจะทรงนำาอามามาเผยแผ่สั่งสอนพวกนี้พอได้ยินได้ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้ทันทีเช่นพระอัญญาณกนธัญะนี่ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวฟังพระอริยสัจสีฟังมรรคแก็สามารถ ทำใจให้หลุดพ้นเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งได้นะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็พกระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงสอนอีกสองสามครั้งก็สามารถทำให้พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี้ได้บรรลุปเป็นพาาระอรหันตสาวกพร้อมๆกันเลยนี่คือการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่ทรงมุ่งไปให้กับสอนผู้ที่มีความรู้มีความสามารถ ที่จะรับคําสอนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วซึ่งก็เป็นพวกนักบวชทั้งหลายที่มีศีลที่บริสุทธิ์ที่มีสมาธิที่ตั้งมั่นเพียงแต่ขาดปัญญาคือความรู้ในอริย ส, สัจสีในมรรคแปดในในตายรักษณเท่านั้นเองพอทรงแสดงอริยสัจสี่มรรคแปดตายรักณให้เขาเข้าใจเขาก็สามารถทําใจของเขาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ทันที ไปในระยะเวลาเพียงประมาณเจ็ดเดือนคือตั้งแต่วันเพ็ญคือวันนี้วันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนแต่ไปถึงวันขึ้นส5บ้าค่ำเดือนสาคือวันมาฆบูชาก็เป็นระยะเวลาเจ็ดเดือนด้วยกันก็ปรากฏมีพาาาระอรหันต์ตาวกอย่างน้อยหนึ่งันร้อยห้ารูปด้วยกันได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้รัดหมายกัน พเหล่านี้ท่านได้บรรลุจากการได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงและหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระลานาแล้วพระพุทธเจ้าก็บวชให้เป็นภิกษุและหลังจากนั้นก็ทรงบอกให้พระลานตาสาวกเหล่านี้ให้เดินทางกระจายไปคนละทิศคนละทางเพื่อ น, นำท้อธรรมอันประเสริฐนี้ไปเผยแผ่ให้กับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ ได้มีโอกาสได้หลุดพ้นนี่แหละคือวิธีการของการสร้างให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับในโลกนี้ไปได้เป็นเวลาระยะเวลาอันยาวนานนี้อยู่ที่การทำหน้าที่สี่ข้อของชาวพุทธเหล่านี้เองก็คือการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอน ซึ่งสมัยนี้เราก็ต้องศึกษาจากพ่อตาปิดกศึกษาประสูตรสำคัญต่างๆที่สามารถนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดท้นจากความทุกข์ได้หลังจากได้ศึกษาได้รู้แล้วว่าต้องปฏิบัติอย่างไรก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติอย่างอย่างอย่างเต็มที่เรียกว่าสุปฏิปันโนเมืม่อได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ปฏิบัติอย่างเต็มร้อย การบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะตามมาตามลำดับอย่างที่ได้ทรงปรยากรไว้ว่าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระสูตรที่ได้ทรงแสดงไว้คือสติปัฏฐานสูตรผู้ปฏิบัตินี้สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือ น, นถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอันนี้เป็นคำรับรองของพระพุทธเจ้า แล้วก็ไม่มีใครมาปฏิเสธว่าไม่สามารถเป็นไปได้เพราะมีผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนอย่างเคร่งครัด mm hmm. ก็สามารถหลุดพ้นได้ภายในระยะเวลาที่ได้ทรงพยากรณ์ไ ว, mm hmm. ว้แล้วหลังจากที่ได้บรรลุแล้วก็สามารถที่จะนาเอาความรู้ที่ได้จากการปฏิบัตินี้ไปเผยแพร่สั่งสอนแก่ผู้อื่นต่อไปได้ เพเป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่ได้รับการพิสูจน์จากการปฏิบัติแล้วว่าสามารถนำเอาความรู้เหล่านี้ไปดับความทุกข์ในใจได้สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดของใจในสังสารวัฏได้ผู้ที่ได้พบได้บรรลุมรรคผลที่ผ่านแล้วจะมีความมั่นใจในธรรมในความรู้ที่ได้ทรงได้ไ ด, ได้ได้เข้าถึง สามารถที่จะนำเอาความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่สั่งสอนได้อย่างแม่นยำได้อย่างมั่นใจไม่มีคำลองในสงสัยตดอย่างใดนี่แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้ศาสนาพุทธเราเจริญนุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันนี้ก็สองพันห้าร้อยสองพันห้อยสิบสามปีแล้วการเจริญของพระพุทธศาสานานี้ ไม่ได้เจริญด้วยถาวรวัตถุไม่ได้เจริญด้วยการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างถาวรวัตถุต่างๆที่หรูหราที่วิจิตรพิสดารอันนี้ไม่ใช่เป็นความเจริญของพระพุทธศาสนาเพราะว่าถาวรวัตถุต่างๆนี้ไม่สามารถสอนให้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ สาววลวัตถุเป็นเหมือนกับเครื่องประดับของพระพุทธศาสนาเท่านั้นฉนั้นชาวพุทธเราอย่าหลงประเด็นอย่าไปคิดว่าการสร้างสาววลวัตถุต่างๆให้สวยงามวิจิตรพิสดารนี้เป็นการแสดงถึงความเจริญของพระพุทธศาสนาความเจริญของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ใจของผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานต่างหาก เพราะใจของผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วนี้จะเป็นผู้ที่จะสามารถรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไปได้เพราะสามารถเผยแผ่คำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกตั้งแม่นยำทําทให้มีผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานตามมาเป็นจํานวนมากต่อไปนั่นเองแต่การสร้างขาวรอและวัตถุต่างๆนี้ไม่สามารถผลิต พระอริยบุคคลขึ้นมาได้เลยแม้แต่คนเดียวลองไปนั่งในเจดีสิบปีก็ไม่มีทางที่จะเรียนรู้อะไรจากเจดีได้ไปนั่งอยู่ในโบสถ1สิบปีก็ไม่มีการเรียนรู้อะไรจากโบสถได้เพราะโบสถเจดีเขาไม่ได้มีความสามารถที่จะสอนพวกเราให้เรารู้จักอริยสัจสี่มรรคแปหรือตายรักใดอย่างใดนั่นเอง เราต้องไปหาบุคคลผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเท่านั้นคือพระ อ, อริยสงสาวุปกในระดับต่างๆท่านก็จะสามารถสอนเนื่องอริยสัจสี่มรรคแปดตายรักให้กับพวกเราได้และเมื่อเราได้ศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะสามารถที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้และบรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานได้ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถเอาความรู้ที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุถึงนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้อื่นต่อไปผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติก็าสามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติและหลุดพ้นตามลำดับต่อไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมมีการเผยแผ่ธรรมตามลาดับ ก็จะทำให้ว่าจะทำให้ม no. ีศาสนานี้อย uh ู่กับโลกนี้ไปได้เป็นเวลาอันยาวนานอาจจะเกินห้าพันปีเลยก็ได้การที่ทรงพยากรณ์คำว่าห้าพันปีนี้ก็เป็นการพยากรณ์แบบรวมๆเป็นถ้าไม่มีถ้าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมมันก็จะหมดพะหมดไปได้ภายในห้าพันปีแต่ถ้ามีการ ศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุมรรคผลนิพพานมีการเผยแผ่ธรรมกันอยู่เรื่อยๆศา ส, สนาก็จะอยู่ต่อไปได้อยู่เรื่อยๆนั่นเองนี่คือความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชาที่เรามาน้อมนํามลึกถึงกันเพื่อที่เราจะได้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาและเรียนรู้วิธีที่พวกเรา จะสามารถช่วยกัน ร, รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ให้อยู่คู่กับโลกนี้ไปเป็นเวลาอันยาวนานได้ด้วยการศึกษาและการปฏิบัติ เ, เช่นวันนี้เราก็จะเราได้มาศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาแล้วรู้เราเรียนรู้แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเดี๋ยวขั้นต่อไปเราก็จะต้องมาปฏิบัติกันที่นี่เดี๋ยวนี้เราแบ่งการ การศึกษาและการปฏิบัติเป็นสองตอนด้วยกันตอนแรกเราก็จะฟังเทศฟังธรรมประมาณ30สบนาทีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาปฏิบัติธรรมคือมานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบเพื่อที่เราจะได้มีความสุขจากความสงบและมีกำลังที่เราจะได้ไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา ผู้ที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับเราผู้ที่มาคอยหลอกให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองดังนั้นสำหรับการแสดงธรรมในช่วงนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาในลำดับต่อไปเราจะมีการมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสมาธิซึ่งเป็นธรรมที่สำคัญเป็นธรรมที่จะมาลองรับปัญญา การปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นนี้ก็มีแบ่งเป็นสามขั้นด้วยกันคือทานศีลภาวนาขั้นที่หนึ่งเราก็ทาบุญทาทานบริจากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่มีเรามีเหลือกินเหลือใช้เอามาสร้างความสุขให้กับใจเพราะเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะไปรักษาศีลได้รักษาศีลห้ารักษาศีลแป แล้วพอเรารักษาศิ่งแปดได้เราก็จะมีเวลาให้กับการมาเจริญจิตภาวนาที่แบ่งที่แบ่งไว้เป็นสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็คือสมถะภาวนาขั้นตอนที่สองก็คือวิปัสสนาภาวนาตอนนี้เราจะมาเจริญขั้นตอนที่หนึ่งของการเจริญจิตภาวนาก็คือสมถภาวนาคือการทำจิตใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมา ให้เกิดอุเบกขาให้ใจเป็นกลางให้ใจปล่อยวางให้ใจวางเฉยได้เวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธก็วางเฉยได้ถ้ามีอุเบกขาแล้วจะชนะความโลภความโกรธได้แต่ถ้าไม่มีอุเบกขานี้เวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมานี้จะไม่สามารถหยุดความโลภหยุดความโกรธได้ ดังนั้นก่อนที่เราจะไปขั้นที่สองของการภาวนาก็คือวิปัสนาภาวนาเราต้องผ่านขั้นที่หนึ่งไปก่อนคือสมถะ ภ, ภาวนาทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนแล้วพอเราไปเจริญวิปัสนาแล้วเห็นว่าผู้ที่มาสร้างความทุกข์ผู้ที่พาให้เรามาเวนว่าตายเกิดก็คือความโลภความโกรธความหลงเราก็จะใช้กําลังของอุเบกขานี้มาหยุด เวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาได้แล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ดังนั้นต่อไปนี้เราจะมาปฏิบัติธรรมกันมาเป็นการปฏิบัติบูบชาพระพุทธพธรรมพระสงฆ์การบูชาในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สองขั้นด้วยกันขั้นที่ขั้นที่หนึ่งเรียกว่าอามิสบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุข้าวของต่างๆ เช่นการทำบุญทำทานเป็นต้นแล้วขั้นที่สองของการบูชาก็เรียกว่าปฏิบัติบูบชาก็คือปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาที่เราได้เรียนรู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างที่สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติก็คือทำทานรักษาศีลแล้วก็กภาวนากันวันนี้ท่านก็เตรียมข้าวเตรียมของมาทำบุญทำทาน ขนานี้ขณะที่ท่านนั่งอยู่ที่นี่ก็ท่านกําลังรักษาสิ่งตอนนี้ท่านไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปรักทรัพย์ไม่ได้ไปประพฤติผิดประเพณีไม่ไ้ไม่ได้ประพฤติผิดในการมไม่ได้พูดปดไม่ได้ดื่มของมึนเมาทั้งหลายก็ถือว่าตอนนี้ท่านมีสีอยู่ตัวอยู่แล้วขาดสิ่งที่ยังไม่ได้สร้างขึ้นมาในวันนี้ก็คือการปฏิบัติบูชาคือการเจริญสมถภาวนา ปัญญาเราก็ได้รับได้รับแล้วจากการฟังเทศทางฟังธรรมรู้แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างดังนั้นในขั้นตอนต่อไปนี้ประมาณสัก3านาทีเราจะมาปฏิบัติบูชาด้วยการนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งทําใจให้สงบหยุดความคิดให้ได้ถ้าเราหยุดความคิดได้ใจเราก็จะนิ่งจะสงบจะมีความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้ใจของเราก็ยังจะไม่ ส, มสงบวิธีที่จะหยุดความคิดเราต้องมีกรรมฐานมีสติเราต้องมีสติคอยผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆกรรมฐานที่เรานิยมใช้กันทั่วไปก็คือการเจริญพุทธานุสติก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี่เอง เวลาที่เราบริกรรมพุทธโธนี้ถือว่าเรากําลังระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อเราเลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เมื่อเราไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปความคิดที่เคยคิดอยู่มันก็จะหยุดคิดพอหยุดคิดแล้วใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแล้วเราต่อไปเราก็จะสามารถเปลี่ยนวิธีหาความสุข แทนที่จะหาความสุขทางความอยากของกิเลสคือความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เปลี่ยนมาเป็นการหาความสุขจากการทำใจให้สงบงๆๆงแล้วต่อไปเราก็จะได้ตัดความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ตัด<อ>ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการระยึดไปติดกับกา <ale> รยึดติดกับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเอง ดังนั้นในลาดับต่อไปนี้เราจะมาเจริญสติเราต้องมีสติเวลานั่งสมาธิอย่านั่งเฉยๆนั่งเฉยๆใจลอยใจจะคิดนู่นคิดนี่ไปแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกอุดอัดใจจะดิ้นใจจะอยู่ใจจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วจะรู้สึกอึดอัดจะไม่และอาจจะไม่สามารถนั่งต่อไปได้แต่ถ้าเรามีสติคอยกากับคอยควบคุมใจปูกใจให้อยู่กับกรรมฐานซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่นพุโทโธนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งก็คืออานาปณะสติคือการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะผูกใจไม่ให้ลอยไปลอยมาได้แต่อาจจะเป็นวิธีที่ยากสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆที่ยังมีสติน้อยถ้ายังมีสติน้อยยังดูลมไม่ได้หรือยังบริกรรมพุโทโธไม่ได้ก็ให้ใช้วิธีสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ ไอ้สวดมนต์บทใดที่เราจําได้ในขณะที่เรานั่งสมาธิหลับตาแล้วเราก็สวด อ, อาจจะจะสวดบทแผเมตตาก็ได้<ม>สัปเพสัตตาเวลาหหนตัวสวดไปเรื่อยๆสวดไปหลายๆรอบสวดไปจนรู้สึกว่าใจนิ่งใจเย็นสบายแล้วลองสลับมาดูลมหายใจต่อพราะถ้าดูดูลมได้ก็ดูที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออก ไม่ต้องบังคับลมให้หายใจลึกหายใจยาวปล่อยให้ลมหายใจเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเราเพียงแต่มีหน้าที่ดูลมอาศัยลมเป็นเป็นหลักยึดจิตใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆถ้าดูลมไปเรื่อยๆลมก็จะละเอียดลงจะยาวขึ้นแล้วบางทีลมก็อาจจะหายไปจากความรู้สึกก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัว เป็นลมลมละเอียดยังมีการหายใจอยู่ไม่ต้องกลัวว่าจะจะตายเพราะไม่มีลมหายใจลมหายใจยังมีอยู่แต่มันละเอียดจนเราไม่สามารถจับมันได้ก็ให้จับอยู่ที่เดิมจับอยู่ที่ปลายจมูกไปแล้วเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะจะรวมเข้าสู่ความสงบได้นะในขณะที่นั่งสมาธิอยู่นี้ถ้ามีอะไรมาปรากฏก็อย่าไปสนใจมีแสงมีเสียงมีรูปมีอะไรมาปรากฏให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจ แลือร่างกายมีอาการคันตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็อย่าไปสนใจดึงใจกลับมาอยู่กับกรรมฐาน<ม>อยู่กับพุทโธ<ม>อยู่กับลมหายใจด้วย อ, อยู่กับการสวดมนต์ไป<ม>ถ้าเรามีกรรมฐานถูกใจไว้<ม>อยู่เรื่อยๆใจเราอยู่กับกรรมกรรมฐานเดีย๋ยวใจก็จะสงบใจก็จะเย็นใจก็จะเบา ใ, ใจก็จะมีความสุขขึ้นมาดัง<ม>นั้นต่อไปนี้เราจะมาเจริญสติกันมาทาใจให้สงบให้เป็นสมาธิ จกจะหมดเวลาตอนนี้เวลาสนหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกให้สังเกตดูวิธีนั่งของเราว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีัหยหรือไม่สงบถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งสำหรับวันนี้ไว้แล้วคราวต่อไปก็ใช้วิธีนี้ได้เลยอย่าไปอยากนั่งอย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบ ถ้าความอยากให้มันสงบมันจะไม่ทำให้สงบต้องวิธีที่ทำให้มันสงบเป็นอย่างไรเราจดจำวิธีนั้นไว้ในวันนี้แล้วคราวหน้าเราก็ใช้วิธีเดิมแล้วจิตก็จะสงบได้เหมือนกันแล้วต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พอ่อยถ า, าวาริวาหาปูราปริปุรติสักะลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังปกับปติอิทิตังปติตังตุมหังคิดเมวะสมิจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะรัสยยถามณิโชติรัสยยถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินาสตุ มาเตภวตวันตรายอสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารธูธรร ม, มะวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลางังตอนนี้ก็เวลาหมดพอดี <laughs> ชั่วโมงหนึ่งนะ่ะถอยของตั้งแต่3ามนี้4แล้วก็เลยขอถามยอดว่าคนติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ก็แล้วกันครับวันนี้มีผู้รับฟังทาง a c e b o o k พระอาจารย์สุชาติพิชาตโต372คน YouTube พระสุชาติไลฟ์155 y ห้า u b e d ้าย o ทูบด็อกเวหิวิทยุออนไลน์13 Club คลับเฮ์ห